พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่23สาสัตจกาศนิบาตชุมนุมธรรมะที่มีเจดข้อวักที่ไม่จัดเข้าในหมวดห้าสิบวักที่หนึ่งอยกตาวักว่าด้วยสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่พยากรณ์ตรัสตอบคำถามของภิกษุรูปหนึ่งถึงเหตุปัจจัยที่อริยาสาวกผู้ได้สดับ ไม่เกิดความสงสัยในเรื่องที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสพยากรณ์โดยทรงชี้ไปว่าข้อที่ว่าสัตว์ตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดหรือเกิดด้วยไม่เกิดด้วยหรือเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่นั้นเป็นทิฏฐิคือความเห็นเป็นตันหาคือความทยานอยากเป็นสัญญาคือความกำหนดหมายเป็นมันยิตะคือความสาคัญในใจ เป็นปัปปัญจิตตะคือความเนื่นช้าเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นและเป็นวิปติสาระหรือวิปติสารความเดือดร้อนซึ่งปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้สิ่งทั้งเจ็ดนั้นไม่รู้ความเกิดความดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับของสิ่งเหล่านั้นแต่อริยาสาวกผู้ได้สดับย่อมรู้จึงไม่เกิดความสงสัย ในเรื่องที่พระองค์ไม่ส่งพยากรตรัสแสดงคติของบุรุษเจ็และอนุปาทาปรินิพานคือดับกิเลสยังไม่มีเชื้อกิเลสเหลือคือพระอนาคามีประเภทอันตราปรินิพายีสาอุปหจัจจปรินิพายีหนึ่งอสังคาระปรินิพายีหนึ่งสังคาระปรินิพายีหนึ่ง อุดทางโศโตโอากานิทะคามีหนึ่งรวมทั้งหมดเป็นเจ็ดและตรัสถึงพระอระหรันต์ผู้ทําให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสวะว่าเป็นอนุปาทาปริณิพานคือดับกิเลสหมดไม่มีเหลือมีข้อน่าสังเกตคืออันตราปริณิพายีสามประเภทนั้น เปรียบเหมือนประกายไฟจากแผ่นเหล็กที่ถูกตีหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปสองเกิดขึ้นลอยขึ้นไปแล้วดับสเกิดขึ้นลอยขึ้นตกลงมายังไม่ถึงพื้นก็ดับไปพรมชื่อติดสะกล่าวกับพระมหาโมคลานะักว่าเทพที่มีาญาณยังรู้ในผู้ยังมีกิเลสเหลือ ว่ามีกิเลสเหลือหรือในผู้ไม่มีกิเลสเหลือว่าไม่มีกิเลสเหลือตามความจริงนั้นได้แก่พวกพรหมแต่ก็ไม่ใช่พรหมทุกผู้พรหมผู้ยินดีด้วยอายุวันนะสุขยศความเป็นใหญ่ของพรหมหมายถึงยังยึดถือย่อมไม่รู้ส่วนที่ไม่ยินดีด้วยสิ่งเหล่านั้นคือไม่ยึดถือจึงรู้แล้วรู้ถึงพระอริยบุคคลหกประเภท พระโมคัลลานะมากราบทูลรับผู้มีพระภาคจึงตรัสเติมถึงข้อเจคือรู้ถึงภิกษุผู้เข้าอันนมิตัดเจโตสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตที่ไม่มีเครื่องหมายผู้ทำให้แจ้งคือบรรลุที่สุดแห่งพรหมจรรย์ตรัสแสดงผลของทานที่เห็นได้ด้วยตนเองเจ็ดข้อแก่สีหาเซนาบดี คือ 1. พระอระหันย่อมอนุเคราะห์เขาก่อน 2. ย่อมเข้าไปหาเขาก่อน 3. ย่อมรับทานของเขากรอน 4. ย่อมแสดงธรรมแก่เขาก่อน 5. ้าเขาย่อมมีกิตติศัพท์อันดีงามฟุ้งไป 6. เขาย่อมอง์อาจไม่เก้อเขินเข้าสู่ชุมนุมชน เมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สีหาเสนาบดีกราบทูนว่าหกข้อแรกไม่ได้เชื่อต่อพระผู้มีพระภาคเพราะรู้ได้ด้วยตนเองคือเห็นจริงเองส่วนข้อสุดท้ายตนไม่รู้จึงเชื่อต่อพระผู้มีพระภาค ตรัสแสดงถึงสิ่งสี่ประการที่ประทถาคตไม่ต้องรักษาและตถาคตไม่ถูกว่ากล่าวโดยฐานะสามคือตถาคตมีความประพฤติทางกายวาจาใจบริสุทธิ์มีอาชีวะบริสุทธิ์คือการเลี้ยงชีพบริสุทธิ์ไม่มีทุจริตทางกายวาจาใจไม่มีการเลี้ยงชีวิตผิดซึ่งจะต้องรักษาไม่ให้คนอื่นรู้ ตถาคตมีธรรมะอันกล่าวดีแล้วไม่มีใครค้านได้ว่ากล่าวไว้ไม่ดีปฏิปทาอันไปสู่พระนิพพานอันตถาคตบัญญัติไว้ดีแล้วแกสาวกไม่มีใครคัดค้านได้ว่าบัญญัติไว้ไม่ดีบริษัทสาวกของพระองค์หลายร้อยทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะไม่มีใครคัดค้านได้ว่า ไม่ได้ทำให้แจ้งตรัสตอบพระกิมิละถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้พระสัตธ ร, รมไม่ตั้งอยู่นานเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วเจ็ดข้อคือบริษัทธสีไม่เคารพในพระสัสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาในสมาธิในความไม่ประมาทในการต้อนรับ ว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะเจ็ดประการจะทำให้แจ้งวิมุตทั้งสองอันไม่มีอาสวะโดยการไม่นานคือมีศรัทธามีศีลสดับดับปังมากหลีกเร้นปรารบความเอียนมีสติและมีปัญญาตรัสแสดงธรรมะแก่พระมหาโมคลานะเรื่องวิธีแก้ง่วงเจ็ดประการและตรัสสอนมิให้ชูงวง คือถือตัวเข้าสู่สกุลไม่ให้กล่าวถ้อยคำก่อการทะเลาะวิวาทไม่กวนคลุกคลีด้วยขรือหัสบันพชิตแต่กวนคลุกคลีด้วยเสนาสนะอันสงัดแล้วตรัสตอบปัญหาที่ว่าภิกษุชื่อว่าหลุดอ้นเพราะสิ้นตัณหาอยู่จบรมจรรันารล่วงส่วนด้วยเหตุคือเมื่อภิกษุได้สดับว่าธรรมะทั้งปวงไม่กวรยึดถือ ก็รู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมะทั้งปวงพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาความคลายกำนัดความดับความสละคืนในเวทนาทั้งสามคือสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกไม่สะดุ้งดิ้นรนดับสนิทเฉพาะตน ตรัสสอนว่าอย่ากลัวบุญเพราะคําว่าบุญเป็นชื่อของความสุขแล้วตรัสว่าได้เคยทรงเห็นผลที่น่าพอใจมาแล้วคือทรงเจริญเมตตาจิตเจ็ดปีไม่ต้องเสด็จมาสู่โลกนี้ถึงเจ็ดสังวัตตวิวัตตะกับคือกลับเสื่อมและกลับเจริญเจ็ดสมัยไม่ต้องเสด็จมาสู่สังวัตตะโลกคือโลกเสื่อมทรงเกิดในอาภัสรพรม ในวิวัตลโลกคือโลกเจริญทรงเกิดในพรมวิมานอันว่างเป็นเท้ามหาพรมทรงเคยเกิดเป็นเท้าสักกะสามครั้งเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมหลายร้อยครั้งตรัสแสดงภริยาเจ็ดประเภทคือภริยาเสมอด้วยผู้ฆ่าเสมอด้วยโจรเสมอด้วยนาย เสมอด้วยแม่เสมอด้วยน้องสาวเสมอด้วยเพื่อนเสมอด้วยทาสีหรือนางทาดตรัสแสดงธรรมะเจ็ดอย่างที่ศัตรูชอบที่เป็นเหตุแห่งศัตรูมาสู่หญิงหรือชายผู้มีความโกรธคือหนึ่งศัตรูย่อมปรารถนาต่อศัตรูให้มีผิวพันซามคนมักโกรธ ถูกความโกรธครอบงำแม้จะอาบน้ำลูบไล้ตัดมอมโกนหนวดนุ่งผ้าขาวผิวพรรณก็าม 2. สศัตรูย่อมปรารถนาต่อศัตรูให้นอนเป็นทุกขคนมากโกรธถูกความโกรธครอบงำแม้จะนอนบนบัลังมีเครื่องประดับงดงามก็นอนเป็นทุกข์ 3. ศัตรูย่อมปรารถนาต่อศัตรู ไม่ให้มีประโยชน์มากคนมักโกรธที่ถูกความโกรธครอบงำก็ถือเอาสิ่งไม่ใช่ประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์สิ่งเป็นประโยชน์ว่าไม่ใช่ประโยชน์ธรรมะคือการเป็นศัตรูของกันและกันที่ยึดไว้ย่อมเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนาน 4. สีศัตรูย่อมปรารถนาต่อศัตรูไม่ให้มีทรัพย์ คนมักโกรธที่ถูกความโกรธครอบงำก็ถูกพระราชาทำให้ทรั์เข้าไปสู่พระพลังหลวง 5. ้ศัตรูย่อมปรารถนาต่อศัตรูไม่ให้มียศคนมักโกรธที่ถูกความโกรธครอบงำย่อมเสื่อมจากยศ 6. สศัตรูย่อมปรารถนาต่อศัตรูไม่ให้มีมิตร คนมักโกรธที่ถูกความโกรธครอบงำญาติมิตรย่อมเว้นไกล 7. จศัตรูย่อมปรารถนาต่อศัตรูให้ตายแล้วเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกคนมักโกรธที่ถูกความโกรธครอบงำประพฤติทุจริตตายไปแล้วก็จะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรก วัคที่สองมหาวรว่าด้วยเรื่องใหญ่ตรัสแสดงว่าถ้าขาดธรรมะอย่างหนึ่งก็ขาดธรรมะข้ออื่นๆต่อกันไปเป็นลำดับคือความละอายความเกรงกลัวต่อ บ, บาปการสำรวมอินทรีย์ศีลสัมมาสมาธิหรือความตั้งใจมั่นชอบยถาภูตยา น, นัทสนะความรู้ด้วยญาณตามเป็นจริง นิพพิธาคือความเบื่อหน่ายวิราคะความคลายกำหนัดวิมุตติญาทณทัศนะความเห็นด้วยญาณถึงความหลุดพ้นตรัสกับภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องที่สังขารไม่เที่ยงไม่น่าไว้ใจควรที่จะเบื่อหน่ายกำหนัดควรที่จะพ้นไปซะแล้วตรัสถึงระยะการที่ล่วงไปหลายแสนปี ที่จะมีสมัยซึ่งฝนไม่ตกพืชต้นไม้ใบหญ้าจะเหี่ยวแห้งไม่มีเหลือแล้วก็ถึงสมัยที่ดวงอาทิตย์ขึ้นสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดวงหกดวงจนถึงเจ็ดดวงซึ่งมหาปติพีนี้และคุณเขาสินเนรุจะลุกไหมมีเปลวไฟพุ่งขึ้นไปถึงพรหมโลกหมายเหตุ ในหนังสือวิทยาศาสตร์ฝ่ายาราศาสตร์บางเล่มกล่าวว่าดวงอาทิตย์ของเราไม่ใช่อยู่เดียวโดดแต่นับเนื่องในกลุ่มดวงอาทิตย์อื่นๆรวมกันแล้ว93กลุ่มจึงเป็นโครงสร้างของทางช้างเผือกอันมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง2 0 0 0ปีแสงคือแสงซึ่งเดินทางวินาทีละ 186,272 ไมล์ จะต้องใช้เวลาเดินทางถึงสองแสนปีและยังมีความคิดกันถึงดวงดาวคือดวงอาทิตย์ดวงอื่นๆซึ่งอาจเดินทางเข้ามาใกล้สุริยระบบได้ในลักษณะเช่นนั้นก็ไม่มีปัญหาว่าที่ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นหลายดวงจนเป็นเหตุให้โลกลุกเป็นไฟนั้นมีทางเป็นไปได้จริงในทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นตรัสเล่าเรื่องสัสดาชื่อสุเนตตะผู้สอนสาวกให้ไปเกิดในพรหมโลกลงมาจนถึงเกิดในครหะบดีมหาศาลในโลกนี้แล้วตรัสเล่าถึงสุเนตตะสัสดาจเจริญเมตตาจิตเจ็ดปีได้ผลอย่างที่ตรัสเล่าไว้ในวรรคที่หนึ่งก่อนวรรคนี้แต่ก็ไม่พ้นไปจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นไป ทั้งนี้เพราะไม่ได้ตรัสรู้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์อันเป็นอริยะส่วนพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมะสี่อย่างนั้นแล้วต่อแต่นี้จึงไม่เกิดอีกตรัสแสดงถึงพระนครชายแดนของพระราชาที่แวดล้อมด้วยดีถึงเจ็ดชั้นซึ่งข้าศึกไม่พึงทำอะไรได้หมายถึงไม่พึงเอาชนะได้ แล้วตรัสเปรียบเทียบว่าอริยสาวกประกอบด้วยสัตยธรรมเจ็ดประการได้ฌานสี่ตามต้องการมารก็เอาชนะไม่ได้เหมือนกันคือมีศรัทธามีความละอายมีความเกรงกลัวต่อ บ, บาปศัตรตรับฟังมากปรารบความเอียนมีสติมีปัญญา ตรัสว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะเจ็ดประการเป็นผู้กวนของคำนับเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคือ 1. รู้ธรรมะรู้คำสอนของพระศาสดามีองค์เก้ามีสูตรเป็นต้น 2. รู้อัตถะรู้ความหมายของคำสอนนั้น 3. รู้ตน 4. รู้ประมาณ 5. รู้การ6 รู้บริษัทหรือประชุมชนและเจ็รู้บุคคลที่ยิ่งหย่อนกว่ากันตรัสเปรียบเทียบเรื่องการออกบวชของอริยาสาวกจนถึงได้ฌานและได้เป็นพระขีนาศพด้วยความเปลี่ยนแปลงของต้นปาริชาติตกะในชั้นดาวดึงจนถึงมีดอกเบ่งบานในที่สุดตรัสรับรองภาสิทธิ์ของพระสารีบุตร ในเรื่องคารวะเจ็ที่ว่าเมื่อมีคารวะข้อหนึ่งแล้วก็จะมีข้ออื่นๆต่อไปตรัสว่าภิกษุไม่ประกอบเนืองเนืองซึ่งภาวนาการอบรมลำพังเกิดความปรารถนาจะให้จิตพ้นจากอาสวะยอมพ้นไม่ได้เพราะไม่ได้อบรมธรรมะต่างๆในวงเล็บโพธิปักขียธรรม37บประการ เปรียบเทียบแม่ไก่ไม่กกไข่มีแต่ความปรารถนาให้ลูกไก่ออกจากไข่ก็เป็นไปไม่ได้ในฝ่ายดีคือที่สำเร็จได้ส่งแสดงโดยนายตรงกันข้ามตรัดเรื่องกองไฟใหญ่เปรียบเทียบว่าถ้ากอดกองไฟก็ยังดีกว่าเป็นผู้ทุศีลเป็นต้น ตรัสถึงศาสดาทั้งเจมีสุเนตตศาสดาเป็นต้นซึ่งปราศจากความกำหนัดในกามเป็นเหตุให้ผู้มีจิตประทุษร้ายในท่านพร้อมด้วยบริษัทจะประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากถ้าทำดีต่อท่านก็ให้ผลดีจึงควรตั้งจิตไม่ประทุษร้ายในเพื่อนพระมารีแล้วตรัสแสดงเรื่องอรารกะศาสดา ซึ่งสอนสาวกเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์ว่าเล็กน้อยถึงเจ็ดข้อทั้งๆ ท, ที่สมัยนั้นมนุษย์มีอายุถึงหกหมื่นปีจึงควรไม่ประมาทจะได้ไม่เดือดร้อนภายหลังวักที่สาวินย่วักว่าด้วยวินัย ตรัแสดงคุณสมบัติของพระวินัยทรคือผู้ทรงวินัยเจ็ดอย่างคือผู้รู้จักอาบัตไม่ใช่อาบัตอาบัตเบาอาบัตหนักเป็นผู้มีศีลได้ฌานสี่ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะแล้วได้ส่งยักย้ายในถึงคุณสมบัติเจข้อของพระวินัยทรอีกต่างๆตรัสถึงลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยเจ็ดอย่าง แก่พระอุบาลีคือที่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานแล้วได้ตรัสแสดงอธิการณะสมถะเจ็ดคือเครื่องระ ง, งับอธิกร7เจ็ดอย่างพระสูตธ ที่ไม่จัดเข้าในวัคตรัสว่าเพราะเหตุที่ทำลายธรรมะเจ็ดอย่างจึงชื่อว่าเป็นภิกษุคือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุยึดถือกายของตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยศีละพะตะปรามาตรการลูกคลำศีลพรษถือโชคลางหรือติดลทัทธิพิธีราคะโทสะ โมหะและมานะความถือตัวและตรัสว่าเพราะสงบเจ็ดอย่างข้างต้นได้จึงชื่อว่าสมณะเพราะลอยธรรมะเหล่านี้ได้จึงชื่อว่าพรามเป็นต้นตรัสถึงอสัตธรรมและสัตธรรมโดยทรงชี้ไปที่ความไม่มีศรัทธาจนถึงมีปัญญาสามว่าเป็นอสัตธรรมส่วนสัตธรรมรงกันข้าม ตรัสว่าบุคคลที่ควรแก่กของคำนับตลอดจนเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกคล้ายกับที่ตรัสไว้แล้วตรัสว่าควรเจริญธรรมะเจ็ดอย่างคือโพชงเจ็ดเพื่อลักอุปกิเลสสิบหก